เรื่องที่กา่าเซ็นตามทัศนคคนตาบอดคราวที่แล้วข้าพระเจ้าเล่ามาถึงลักษณะอันหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่ลุเร็นแล้วเป็นผู้มีจิตเสมอด้วยดีในสิ่งที่คนอื่นเขาพากันเห็นว่าเป็นของตรงข้ามกัน ทางเทรวาเราเรียกคุณลักษณะเช่นนี้ว่าสุสมะจิตโตโดยเฉพาะเรื่องเพศที่เห็นมีความเป็นผู้หญิงผู้ชายซึ่งนั่นก็เป็นเพราะเห็นเป็นของแตกต่างวิปรลาดไปเองชนิดที่ใครๆก็พอจะมองเห็นได้ในวันนี้จะขอยกนิทานสั้นๆ ที่จะช่วยชี้ให้ท่านทั้งหลายรู้ลักษณะของเซนที่จะสังเกตได้บางแง่ที่ละเอียดละเอียดหน่อยแต่ต้องอาศัยความสามารถของคนตาบอดช่วยชี้แนะขึ้นก่อนพระเถระในพุทธศาสนาฝ่ายเซนคือหลวงพ่อบันเกออีเป็นองค์หนึ่ง ที่ญี่ปุ่นได้บันทึกประวัติการทางศาสนาไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นผู้ทรงคุณธรรมสูงถือได้ว่าท่านเป็นส่วนของสาวกสังโฆแน่แท้ตลอดอายุไขของท่านท่านถึงธรรมแล้วแล้วยังสามารถพิเศษ ทายทอดทำให้คนอื่นได้มากมายและกว้างขวางอีกด้วยทั้งๆ ท, ที่ท่านเจนจบทางคำภีแต่ท่านก็มีวิธีแจกจ่ายธรรมชนิดไม่ตามแบบตามแผนอย่างผู้ที่ติดตำราธรรมดานั้นแต่ละคนก็มีจิตใจอยู่แล้วฉะนั้นธรรมะที่ท่านกล่าวชี้ตรงไปที่ใจ ทุกคนจึงฟังและรับเอาได้ตรงตรงไม่ว่าคนนั้นจะสังกัดนิกายใดาศาสนาใดหากเขาฟังด้วยใจคอที่เป็นปกติแล้วย่อมดูดซึมทราบซึ้งได้เองขั้นได้ชื่อว่าทำให้พุทธาศาสนาในครั้งนั้นรุ่งเรืองในระดับสูงทีเดียว เมื่อถึงคราวที่ท่านมรณบภาพลงในตอนปลายแห่งชีวิตได้มีลูกศิษย์ลูกหามาชุมนมเป็นหมู่ใหญ่ในประเพณีคำนับส ก, การะศพได้มีการลุกขึ้นกล่าวสดุ ด, ดีไปทีละคนทีละคนในที่ประชุมนั้นมีคนตาบอดอยู่คนหนึ่งได้โอกาสพูด แกก็กล่าวลักษณะของหลวงพ่อได้ต่างไปจากคนอื่นทำเอาทุกคนในที่นั้นตันลึงเงียบไปหมดใครต่อใครเพิ่งได้มารู้คุณบทของอาจารย์หลวงพ่อที่ไม่มีใครได้สังเกตไปถึงในแง่นั้นคนตาบอดนั้นได้กล่าวสื่อๆตามประษาของแกขึ้นว่า ฉันน่ะก็ตาบอดไม่เห็นล็อกว่าหน้าตาคนไหนเป็นอย่างไรรู้จักคนโดยทางสำเนียในน้ำเสียงของผู้พูดเท่านั้นถ้าเขาไม่เอ่ยปากก็รู้ไม่ได้แต่ถึงกระนั้นฉันก็ยังรู้อะไรในคนทั่วๆไปโดยความสังเกตกำหนดพิเศษตรงแววสำเนียง อันเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกส่วนลึกได้เช่นว่าหากมีใครคนหนึ่งไปได้ดีมั่งมีสีสุขหรือได้รับความสำเร็จอะไรเสียงใครต่อใครจะกลนแสดงความยินดีพากันอนุโมทนาที่เห็นเขาได้ดีแต่ฉันก็ยังดักรู้ได้บ่อยๆว่าส่วนมาก ยังมีริสยาเจืออยู่ในน้ำเสียงนั้นนิดนิดในกรณีที่มีใครคนหนึ่งตกทุกข์ประสบวิบัติฉิบหายฉันรู้ดักรู้ใดอีกนั่นแหละในน้ำเสียงที่คนทั้งหลายเขาแสดงความเสียใจเห็นอกเห็นใจว่าในคำพูดนั้นยังมีแววแววของความยินดีปรีดาอยู่นิดนิดเสมอ ฉันเองก็อายุอาณามป่านนี้แล้วได้ยินเสียงของท่านอาจารย์มาหลายสิบปีถ้าท่านอนุโมทนาใครที่ไปได้ดีฉันก็มีแต่ได้ยินน้ำใสใจจริงของท่านแท้ๆในถ้อยคํานั้นๆถึงคราวใครตกยากมาน้ำเสียงของท่านก็ไม่มีอะไรเจือแม้แต่นิด มีแต่น้ําคาที่มาจากจิตใจที่กรุณาอันแท้จริงนิทานก็จบจากเรื่องราวที่เล่ามานี้เราท่านจะเห็นเองได้แล้วว่าไม่มีอะไรคลุมเครืออันเกี่ยวกับลักษณะของผู้มีเสร็จเพราะที่คนตาบอดกล่าวนั้น นั่นก็หมายถึงธรรมะชื่ออัปปมัญญานันเองธรรมะชื่อนี้เป็นวิสัยของพระอริยเจา้าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างที่เป็นพรหมวิหารนั้นยังเป็นธรรมขั้นที่ปรารบตัวตนยังมีตัวผู้ทาด้วยเมตตาปราณีและผู้ถูกเขาเมตตาเป็นต้น ยังอยู่ในระดับเดียวกันกับกระตัญญูกระตะเวทีเป็นต้นส่วนอัปปะมัญญานั้นเมตตาการุณามมทิตาอุเบกขาเหมือนกันแต่รู้สึกจากจิตที่มิได้มีความรู้สึกตัวตนไม่ปรารบตัวตนย่อมสูงและปลอดภัยกว่าโดยสิ้นเชิงจริงอย่างที่คนตาบอดแก่ว่า เรื่องมาถึงแค่นี้ทำให้เกิดสนใจที่คนคนหนึ่งคือตัวผู้กล่าวสะดุดีเรื่องนี้ซึ่งเป็นคนตาบอดเสียด้วยอันว่าโลกมือของคนตาบอดนั้นเขามีอะไรล้าอย่างนักที่คนตาดียังไม่รู้หรื อ, อยังรู้ไม่ได้โดยเฉพาะคนที่บอดมาแต่กำเนิด ประสบการณ์ที่ไม่เคยรู้แสงสีอะไรเลยจะทำให้เขาด้อยหรือบั่นทอนความเจริญทางจิตใจได้หรือหาไม่ข้อนี้พวกเราที่ตาดีๆอยู่นี้อย่าไปทึกทักเหมาเข้าใจเอาง่ายๆว่าคนตาบอดจะรู้โลกนี้หย่อนไปโดยวิธีลบเลขง่ายๆว่าอายตนะสำหรับรับรู้ของคนเรา มีห้าคนตาบอดก็ต้องมีห้าลบหนึ่งเท่ากับสี่อย่างนี้หาถูกไหมตัวเลขที่คนเราใช้นับกันนี้ถ้ารู้สูงขึ้นไปจะพบว่านั่นมันก็ยังเป็นมายาอยู่จะขอเล่าความเป็นมาของตาบอดคนนี้สักหน่อยตาบอดคนนี้ ไปมาหาสู่อาจารย์บัรเกอิเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เสมอเสมอวันดีคืนดีอาจารย์เห็นว่าระสมควรที่จะทำให้แกได้ดวงตาท่านจึงจัดการทันทีคืนนั้นแกมาวัดคุยอยู่จนดึกบังเอิญเป็นคืนเดือนมืดตอนลากลับบ้าน ท่านอาจารย์ก็ให้คนช่วยหาเทียนไขจุดใส่โคมกระดาษแบบของญี่ปุ่นชนิดยน่นพับได้ให้แกเถือเดินกลับ<า>แกบอกกับอาจารย์ว่าไม่ต้องหรอกครับกลางคืนหรือกลางวันสำหรับผมก็เหมือนกันผมสามารถกลับของผมเองได้ไม่ว่ามันจะมืดจะสว่างเพราะผมชินทางเสียแล้ว อาจารย์จึงว่าเอาไฟตามไปเถอะตามไปให้คนอื่นเขาตั้งหากเขาจะได้ไม่มาชนมันมืดออกแล้วตาบอดคนนั้นก็เดินถือโคมเดินดุ่มดุ่ ม, มคลำทางกลับไปเนื่องจากเดินช้าระยะทางก็ค่อนข้างไกลจากวัดอยู่สักหน่อยตอนนั้นเป็นเวลาเงียบดึกสนัด แกก็คลำเดินไปเดินไปพอถึงที่แห่งหนึ่งแกถึงกับตกใจที่ได้ยินใครคนหนึ่งวิ่งสวบสวบทลันจะมาชนแกแกจึงเอต t โร o ขึ้นว่าอะาอาจะไปไหนกันล่ะพอคุณตามไฟส่องให้แล้วหนะักไม่เห็นหรือเสียงของใครคนนั้นก็ตอบมาว่าอะไรได้เทียนของท่านน่ะไม่หมดไปแล้ว ทันทีที่ได้ยินคำว่าหมดเชื้อไฟที่จะตามส่องไปได้อีกแกก็โพลงขึ้นด้วยดวงตาภายในณนะที่แกยืนอยู่นั่นเองต่อจากนั้นแกจึงเป็นคนตาบอดที่มีดวงตาไม่มีอะไรด้อยตลอดไป ด้วยประกาศน้เกี่ยวกับคำโต้ตอบที่เล่ามานี้แปลมาจากชื่อหัวเรื่องว่าการสอนส่งท้ายมันไม่อยู่ในวิสัยของคนตาดีอย่างพวกเราก็ได้เพราะคำสอนหรือวิธีปลุกให้คนเห็นแจ้งในพุทธศาสนาอย่างเซนนั้นโดยมากเป็นของอาจารย์ แล้วแต่อาจารย์จะเห็นว่าอะไรเท่าไหร่สำหรับคนคนนี้สิ่งที่น่าอัศจรรย์มีอยู่ว่าอาจารย์บัรเกอีกคนนี้สามารถโปรดแม้คนตาบอดก็ได้น่าจะมีอะไรเฉพาะเฉพาะก็เป็นได้ใครอยากลองขบดูก็เชิญบางทีอาจจะรู้วิสัยของคนตาบอดคนตาดีได้บ้าง แต่เราพากันกลับมาปลารบในแง่หลุดพ้นกันอีกทีระหว่างคนตาบอดกับคนตาดีจะดีกว่าเพราะในแง่อื่นเช่นความเป็นอัจฉริยะในทางโลกมีการดนตรีการประพัน์จนกระทั่งการทํานายทายทักโชคชะตาเราก็พอจะเคยได้พบในคนตาบอดมาแล้วมากมายส่วนปัญหาการรู้แจ้งจบโลกนี้ เห็นว่าควรใส่ใจบางทีคนตาดีเองอาจจะได้อะไระไรจากการนึกเทียบเคียงกับวิสัยของคนที่เขาตาบอด ก, ก็อาจเป็นได้โลกนี้มันมิได้อยู่ที่ว่าใครรู้โลกนี้กว้างไกลพิสดารกว่าก็จะจบก่อนที่แท้ความจริงมันมีอยู่ว่าคนนั้นจะรู้แจ้งหรือไม่ ในสิ่งเท่าที่ตนเองถือว่าตนรู้อะไรอยู่นั้นเราคนหนึ่งคนหนึ่งอาจไม่จำต้องไปพบไปผ่านโลกนี้ให้ครบให้กว้างไกลเหมือนกันหมดทุกคนก็ได้ขออย่างเดียวเพียงว่าคนนั้นต้องรู้จักสิ่งทั้งปวงเท่าที่ตัวเองเคยพบโดยสถานสี่เท่านั้นสถานสี่ก็คือ รู้สิ่งนั้นเฉพาะเฉพาะโดยทั่วถึงแล้วก็รู้อัาธะรสอร่อยของมันแล้วก็ให้รู้อาธีนวโทษของสิ่งนั้นเคยแจงไว้แล้วในท้ายนิทานเซนเรื่องสิริมงคลอย่างเซนถ้ารู้สี่นี้ได้ถึงที่สุดก็เป็นอันรู้แจงโลกทั้งหมด ข้อนี้จะให้เข้าใจดีขอยกตัวอย่างเช่นการรู้จักธาตุของคนสมัยโน้นท่านถือกันว่ามีธาตุหกับคนสมัยนี้พบในเชิงวิทยาศาสตร์กายภาพว่ามีถึง105่าธาตุนั่นในทัศนะของพุทธศาสนาถือว่ามันก็มีผลที่จิตเท่าๆกัน พระพุทธเจ้าไม่ปักใจว่าจริงภายนอกนั้นมันมีเท่าไรแน่แต่เท่าที่ปรากฏให้ใจของสัตยึดถือนั้นมันมีเท่าไรก็ขอให้รู้จักเท่านั้นให้ทวนทั่วจนไม่ยึดถือก็แล้วกันเล็งเอากันแค่ยึดมั่นหรือเลิกยึดณที่ใจนี้เท่านั้น เพราะต้นเหตุที่ความทุกข์หลังมาท่วมนั้นมันมีใจเป็นตัวการจะติดหรือจะหลุดก็อยู่ที่ใจส่วนที่มันเป็นจริงภายนอกอย่างไรนั้นช่วยอะไรไม่ได้ถ้าใจยังมีกิเลสอย่างในคำพีทางเถรวาดเรา ในบาลีโ ป, ปธปาทสูตรทีฆนิกายพระพุทธเจ้าถูกนักศึกษาผู้หนึ่งเพียรถามอย่างนั้นบางอย่างนี้บางตอนหนึ่งถามว่าในพุทธศาสนาที่ว่าไม่มีอัตตาไม่มีอัตตานั้นไม่มีอัตตาชนิดไหนพระพุทธองค์จึงทรงย้อนทวนถามไปว่า ก็เธอจะนึกว่ามีอัตตาชนิดไหนเล่าอัตตาชนิดนั้นแหละที่ตถาคตปฏิเสธเพราะในเชิงปฏิบัติที่จิตจริงๆนั้นถ้าไปคล้องว่าอะไรเป็นอัตตาในสมัยใดสมัยนั้นแหละพระองค์ให้เปลื้องความเห็นผิดเรื่องอัตตาชนิดนั้น ใจคนเรานี้คล้องติดได้ทีละขั้นทีละขั้นเท่านั้นไม่ใช่ติดได้หลายระดับในเวลาเดียวกันฉะนั้นถ้าจะให้พระพุทธเจ้าเปลื้องคนสมัยนี้ที่เชื่อติดไปข้างนักวิทยาศาสตร์พระองค์คงจะย้อนกลับมาว่าแม้เธอจะถือว่ามีเกินกว่าร้อยทาตก็ทาตไหนเล่าที่เธอว่าเป็นตัวเธอ อะไรที่ตั้งอยู่ให้เขานึกเอาสำคัญเอาว่าเป็นเขานั่นแหละพระองค์ประสงค์จะเปลื้องปลดให้ว่ามันไม่ใช่ตัวตนในเรื่องนี้จะว่าให้ง่ายขึ้นอีกนิดก็ได้เช่นนายสาวคนหนึ่งถึงกับหัวเราะขึ้นคิดทีเดียวเมื่อเห็นคนใช้ใหม่ที่เพิ่งได้มาจากบรนนอกงุ่มงา่าม เปิดตู้เย็นก็ไม่เป็นเปิดประตูรถเก๋งก็ไม่เป็นแต่สองสาวันต่อมาคนครัวไม่อยู่นายสาวกับคนใช้บ้านนอกจำต้องเข้าครัวคราวนี้คนใช้ที่เซอร์ซ่านั่นเองก็ถึงกับหัวเราะขึ้นคิกใหญ่เหมือนกันที่เห็นนายสาวของตนก่อไฟก็ไม่เป็นหุงข้าวก็ไม่ นี่เป็นอุทาหรณ์อันดีเกี่ยวกับคนเหล่านั้นในแง่หลุดพ้นแล้วไม่จำต้องรู้ให้ครบเหมือนกันไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างหากรู้อันไหนทำให้ตัวเองครึ้มว่กกูรู้ความรู้ในเรื่องนั้นก็ยังตกอยู่ในข่ายของอวิชชาอย่างในกรณีของนายสาวกับคนใช้บรร น, นอกนี้ก็นับว่าไม่ดีไปกว่ากันเลย ควรจะสนใจธรรมะดีกว่าจะปลอดภัยแม้ในกรณีคนสมัยวิทยาศาสตร์ทึกทักแน่ใจว่าธาตุในโลกพบแล้วหนึ่งร้อยห้าธาตุก็ขอเตือนไว้ว่าแม้จำนวนถึงเท่านั้นก็ยังมิได้กลุมขอบข่ายไปทั่วถึงเหมือนคนโบราณเขาถือว่ามีธาตุเพียงหกธาตุเท่านั้น รู้อะไรรู้เท่าไรให้ถอนยึดจากรู้นั้นอีกทีนั่นแหละปลอดภัยดูเอาเถิดท่านทั้งหลายเท่าที่ปรารบและยกตัวอย่างมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะมาห้อมล้อมถึงความจริงในแง่หนึ่งระหว่างคนตาดีกับคนตาบอดระหว่างคนที่รู้อะไรไปเสียทุกอย่าง กับคนที่รู้อะไรเฉพาะเฉพาะว่าทั้งสองฝ่ายนี้จะม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันในเชิงปฏิบัติพ้นทุกข์หรือไม่เท่านั้นเองอย่างน้อยก็ขอให้ผู้ที่ฟังนิทานมาถึงแค่นี้อย่าได้แพ้เปรียบคนที่เขามีโลกของเขามืน่นไม่มีหวังจะฟังนิทานนี้ได้ให้จงทุกทุกคนเถิน